คนเรามักเสพติดช่วงเวลาที่หัวทึบเสพติดอาการจมอยู่กับที่แล้วยิงคำถามเบๆประเภทต้องทำอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนสนุกกับงานใดงานนั้นมักสาเร็จเสมอนี่เป็นเรื่องน่าจับจุดสังเกตแต่ไม่ค่อยมีใครจดจำเป็นหลักให้ขึ้นใจความสนุกของมนุษย์ที่จะอยู่กับงานอะไรสักอย่างนานพอ มันเป็นสัญญาณบอกว่างานนั้นจะออกมาดีงานนั้นจะไม่เนิ่นช้างานนั้นจะสำเร็จได้จริงเมื่อใดที่ต้องทำงานยากงานที่ต้องอาศัยเวลางานที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความไม่แน่นอนขาดเครื่องประกันความสำเร็จจิตของคนเรามักเข้าโหมดลังเลไม่แน่ใจหรือกระทั่งท้อก่อนทำยิ่งท้อมากยิ่งเหมือนสัญญาณบอกแนวโน้มความล้มเหลวมาก จะไม่ล้มเหลวได้อย่างไรในเมื่อหัวมันไม่ยอมคิดโจทย์จริงๆในช่วงเริ่มต้นจึงไม่ควรเป็นการยิงคำถามใส่ดินฟ้าแบบหลมุมหล้มแรงๆว่าจะสำเร็จไหมจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยหรือเปล่าแต่ควรเป็นการคุยกับตัวเองให้เข้าใจว่าออกตัวอย่างไรด้วยท่าไหนจึงสนุกการก้าวข้ามความท้อที่จุดเริ่มต้น ไปสู่ความสนุกเมื่อเริ่มออกวิ่งจะยุติคําถามแบ้าๆประเภทต้องทําอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนจะเหนื่อยกายจนขาดใจเลยหรือเปล่าถ้าไม่ทราบจะจับจุดสนุกจะตรงไหนให้ดูที่ร่างกายตัวเองเห็นให้ได้ว่าร่างกายพร้อมจะสนุกไปกับคุณในช่วงไหนเช้าสายบ่ายเย็นหรือดึกดื่นค่ำคืนบางคนยิ่งดึกยิ่งหูตาตื่น เหมือนฉลาดกว่าปกติแต่ต้องสังเกตข้อเท็จริงทางธรรมชาติด้วยถ้าโหมงานดึกหรือโต้รุ่งต่อเนื่องแล้วหัวทึบหัวแน่นขึ้นทุกทีให้บอกตัวเองอย่างมีสติว่านั่นไม่ใช่เวลาที่ถูกแล้วนั่นเป็นช่วงเวลาแห่งความโง่เขลาแล้วคุณกำลังเอาช่วงเวลาโง่ของตัวเองไปเสี่ยงทำผิดคิดร้ายแล้วช่วงเวลาโง่สองชั่วโมงอาจหมายถึง คุณภาพต่ำๆและความเชื่องช้าผิดกับช่วงเวลาแห่งความฉลาด20นาทีที่ได้งานคุณภาพสูงกว่ารวดเร็วกว่าหรือช่วงเวลาโง่2นาทีอาจทำความเสียหายให้ต้องแก้ไขไป2 ส, สัปดาห์อันนี้หลายคนเจอแต่ไม่อยากยอมรับหรือไม่คิดจะเรียนรู้ปลากแต่จริง คนเรามักเสพติดอาการจมอยู่กับที่เหมือนคนที่ชอบบนกระปลอยกระแปดว่าโลกมืดโลกไม่ดีโลกทำร้ายฉันทั้งที่ช่วงบนคือช่วงที่สมองทำร้ายตัวเองชัดๆฉันได้ก็ฉันนั้นคนมักเสพติดช่วงเวลาที่หัวทึบนึกว่าชีวิตต้องจมปลักอยู่กับช่วงเวลาแบบนั้นไปจนตายพอได้เวลาก็พยายามฝืนใจทาเซ็งๆทันที เรากับหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมจากความโชคร้ายตลอดชีพเอาไว้คุณจะเริ่มสนุกกับงานเมื่อสังเกตออกว่าทำงานช่วงไหนแล้วหัวโล่งพร้อมฉลาดจริงๆซึ่งตามธรรมดามักเป็นช่วงที่ขยะทางอารมณ์ยังไม่เกิดเช่นเพิ่งตื่นนอนยิงไม่มีอะไรให้คิดยิ่งถ้าเป็นการตื่นนอนช่วงเช้าตรู่โลกยังสงบไม่มีความวุ่นวายจอแจของมนุษย์ ก็ยิ่งเป็นช่วงที่เอื้อให้หัวลหลนความคิดไหลคล่องอยากทํางานเร็วและไม่ค่อยผิดพลาดมีพะละังกาลังที่จะแก้ปัญหาไม่กลัวอุปสรรคที่ท้าทายข่มกําลังความคิดถ้าคุณเป็นนายตัวเองต้องคิดเองทําเองก็คงไม่มีปัญหากับการเลือกเวลาเหมาะแต่หากบอกตัวเองว่าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเครื่องจักรที่จะเริ่มงานก็ต่อเมื่อเข้าออฟฟิศ อันนี้จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยากหากเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่ใช้เวลาสักห น, นาทีหรือสิบนาทีในช่วงตื่นนอนเอามาคิดเรื่องงานที่ติดขัดหรือไปไม่ถึงไหนเสียทีไม่มัวผวองหยุมหยิมว่ามีไม่ใช่เวลาที่ใครจ่ายเงินให้คุณทางานคุณแค่เลือกเองเต็มใจเองว่าจะขอทํางานในช่วงเวลาแห่งความสนุก ก็อาจพบคำตอบมองเห็นทางออกทะลุ ป, ปรุกโโรงหรือได้ไอเดียไปคุยต่อยอดในห้องประชุมได้ง่ายๆแตกต่างไปจากเดิมถ้าเคยชินที่จะให้ความคิดเริ่มทำงานในช่วงปลอดโปรง่งกลายเป็นนิสัยติดตัวคุณอาจค้นพบโลกใหม่พบความสนุกกับการทำงานราวกับให้อีกคนมาคิดซึ่งนั่นก็เพราะเป็นคณอีกคนในสมองอีกโหมดมาช่วยคิดให้จริง